ความเจริญในธรรมจึงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิยานได้นำเสนอสัจจะปรมีสืบต่อกันมาหลายครั้งแล้วก็มีประเด็นที่ควรจะมองจากกลุ่มธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกลุ่มธรรมที่เราคุ้นคุ้น มันก็เริ่มมาจากเบญจะธรรมเบญจะธรรมนั้นจะเน้นที่สัจจวาจาตลอดถึงความซื่อสัตย์ความซื่อตรงเดี๋ยวจริงๆจะหนักไปทางสัจจวาจาจะเรียกว่าเป็นอริยะโวหารคือเป็นโวหารของพระอริยะ หมายความว่าพูดไปตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้หมายอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่มีการเสริมความไม่มีการอําความคือสิ่งสัมผัสเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นส่วนจะพูดหรือไม่พูดก็ต้องใช้อีกระดับหนึ่งคือต้องใช้ปัญญาเพิ่มเติมขึ้นโดยการมองถึง สิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นความจริงไหมเป็นธรรมะไหมมีประโยชน์ไหมผู้ฟังชอบใจไหมแต่ประเด็นหลักมันก็คงอยู่ที่สาสามคำคือจริงเป็นธรรมแล้วก็มีประโยชน์ตวัจเจตนาในการพูดของเราก็ต้องพูดด้วยความรู้สึกที่ดีต่อคนฟัง จะเรียกว่าเมตตาเมตตาวาจาคือวาจาที่เปล่งออกหรือที่พูดออกโดยเมตตาหวังดีต่อผู้พูดพูดไปแล้วนี่พวกฟังได้รับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ก็ปฏิเสธไปอย่าทำตัวลักษณะสู่รู้ จะมีปัญหาแบบที่เราเรียกว่าคนโง่ขยันนี่มันมีปัญหาเรื่องเป็นนั้นมากที่ไม่น่าจะมีปัญหาในสังคมเราแต่ว่าคนซึ่งศึกษาอีกเรื่องหนึ่งแล้วไปพูดอีกเรื่องหนึ่งแต่สังคมก็เกิดไปยอมรับเข้าก็ไปกันใหญ่ก็กลายเป็นคําพูดเหล่านั้นแทนที่จะอํานวยประโยชน์ให้แก่ผู้ฟัง มากระดับความเสื่อมเสียมาสู่ผู้ฟังแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นคนรับสารนะจะต้องมีความคิดที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะข่าวสารในยุคสมัยปัจจุบันไม่ว่าทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางซื้อพิมพ์หรือแม้แต่นังสือที่เรียบเรียงออกมา คุณจะต้องอ่านด้วยโดยการพินิษวพิเคราะห์พอสมควรไม่ใช่ว่ายอมรับไปเลยหรือปฏิเสธไปเลยแต่ทั้งหมดนั้นไม่ควรจะใช้แบบฟาดฟูดคือบริโภคแบบสาเร็จรูปอย่างนั้นปนัญหาที่น่าห่วงในการรับสื่อก็คือพวกสื่อมันคิดให้เสร็จตัดสินใจให้เสร็จ ต่อไปเนี่ยจะหนักข้อมากยิงย่งขึ้นจะมาสื่อโฆษณาสินค้าต่างๆเราจะเห็นว่าก็ส่งถึงถึงบ้านลูกค้ามันมีลักษณะคล้ายๆกับบริการดีเหลือเกินแต่เราลืมไปว่าเรายังไม่ได้ดูตัวสินค้าเลยมันยังไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพยังไม่ได้อะไรเลยและยังไม่ได้เทียบเคียงกับที่อื่นด้วย แต่ว่าผู้ขายก็ตัดสินใจให้เสร็จแล้วก็นำมาส่งให้มันกลายเป็นภาวะยยมจำนวนแล้วเมื่อบ่อยเข้าก็กลายเป็นลักษณะนิสัยะจะไม่ใช่ความคิดไปเรื่อยๆถึงเป็นปัญหาที่น่าห่วงเนะี่ยวาจากการสังเกตไมมว่าเรื่องอะไรก็ตามพอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วคนไปเชื่อโดยไ ง, ไง่ายๆก็เรื่องบางเรื่องเนี่ย ยังยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งส ว, วรครั้งที่สองที่เขาเลือกกันไปก็ไม่ข่าวฟ้องร้องกันเยอะแต่เราก็นึกดูนะว่าบางคนได้คะแนนเป็นแสนเอ๊มันซื้อเสียงยังไงแสนหนึ่งเอาเงินมาจากไหนซื้อแล้วก็ซื้ อ, อยังไงแล้วมีความจาเป็นอะไรต้องซื้อด้วย แต่วคนส่วนใหญ่จะเชื่อเลยในลักษณะอย่างนี้นจนกว่าการปฏิเสธไม่ยอมเลือกใครตั้งห้าแสนกว่าคนทั่วประเทศเรื่องน่าคิดนะคนเหล่านั้นไม่มีคนดีพอที่จะเลือกเฉียวเรือและอย่างน้อยก็เอาที่เลวน้อยที่สุดนะ่ะการปฏิเสธไม่เลือกเลยเนะี่ยก็แหมก็หนักไปหน่อย คือว่าตัดสินเขาล่วงหน้าไปเรื่องการตัดสินเนี่ยคือถ้าชี้ว่าเขาผิดนี่ม่ต้องชัดเจนมากนะเป็นบาปนะแต่ว่าถ้าชี้ว่าเขาถูกแม้แต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันก็ไม่มีปัญหาใดเพราะไม่เป็นการบั่นทอนทำลายอะไรครับเราอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะ แต่ว่าไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรติณิสัจจะอีกประการหนึ่งจะเรียกว่าเป็นจริงการคือการกระทาจริงเป็นอาการของความซื่อสัตย์ซื่อตรงในเองมันมองความสำคัญที่ภารกิจซึ่งเราต้องรับผิดชอบ งานเป็นอันมากที่ทำแล้วต้องมีคนคุมซึ่งแสดงให้เห็นในการสินเปลืองสินเปลืองแรงงานคือคนที่คุมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมานั่งคุมเพื่อนเฉยๆซึ่งก็น่าจะไปทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบแต่ว่ามันก็มีปัญหาว่าคนนั้นแหละไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อรง เลยต้องมีคนคุมให้ทํางานด้วยความซื่อสัตย์คือจริงที่การกระทําเป็นลนักษณะการกระทําดีอย่างที่ท่านแบ่งไว้ว่าบำดีแบบเด็กกระทําดีแบบผู้ใหญ่ลักษณะซื่อสัตย์ซื่อตรงเนี่ยเป็นความจริงที่ออกมาจากใจในฐานะที่เป็นบารมีธรรมเนี่ยไม่ต้องมีคนคุมนะคร มันเกิดขึ้นจากจากสำนึกภายในจิตใจของท่านเ่านันเองเห็นว่าอะไรเหมาะควรท่านก็ทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรท่านก็ไม่ทาไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีใครมาคุมท่านแต่ว่าสำนึกตรงนี้จะต้องมีคุณธรรมประกอบมากกอ่าสมควรนะแต่มีงั้นเราบางคนข้างยากอกันเพราะถ้าเราดูเวลาเนี้ยเราดูอย่าง การบริหารบ้านเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามมันจะมีสัจจะปฏิญาณเป็นผู้แทนก็มีสัจจะปฏิญาณเป็นรัฐมนตรีก็มีสัจจะปฏิวปฏิยานถวายสัตป์ปฏิญาณต่อพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นมหาสมาคมที่ค่อนข้างครั้งนะแต่ว่ามันก็มีคนรักษาได้น้อยแต่ว่า ประกาศสัจจะปฏิญาณเนี่ยทำได้เยอะเลยมันก็สูญเสียว่าคนต้องมาคุมเคยสังเกตว่าเวลาเราไปอบรมในสถานที่ต่างๆนตั้งแต่พศสองพรอยสี่ถึงสองศอัตมาครุขีอยู่กับนักโทษใ น, นเรือนจำต่างๆเนี่ยเยอะเหลือเกินบางทีอยู่ตั้งครึ่งวันนะครับไปอยู่ เ่า ป, ปล่มมัง่งไปคุยธรรมะกันมัง่งไปฝึกบ้างอะไรแต่ไหนแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยแกเรียบร้อยมากอะ น, นะแต่ถามันททาไมเรียบร้อยล่ะเพราะว่ามีผู้คุมยืนคุมอยู่เป็นจุด ๆ, ๆ, ๆก็น่าจะทดลองเหมือนกันว่าถ้าไม่มีคนคุมเนี่ยเธอจะตั้งใจวางดีไหมเคยทดลองพูดเกินเวลา พูดยาวไปเลยเขาก็นั่งเรียบร้อยนะนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรียบร้อยด้วยสนใจธรรมะหรือว่าเรียบร้อยเพราะว่าผู้คุมก็นั่งคุมอยู่เรี่งพลทหารเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือมีนายทหารประทวนระดับประทวนก็คุมอยู่ก็ตั้งใจวามด้วยความเรียบร้อยเป็นการทำดีแบบเด็กคือต้องขู่ให้กลัวหรือว่าล่อด้วยผลประโยชน์ต่างๆก็แสดงว่าสัจจะเองก็ไม่หนักแน่นมั่นคง อย่างที่บอกว่าสัจจะเนี่ยจริงๆมันต้องมีอธิษฐานอยู่ด้วยนะมันมันเป็นฐานรองรับตัวสัจจะตรงนั้นในแนวในในด้านของสัจจะที่เป็นเบญจธรรมมันก็เน้นไปที่การสื่อสารการติดต่อถึงแน่นอนถ้าหากว่าคนพูดคำสัต์คำจริงแล้วเนี่ยคาที่ ซอเสียดคำหยาบคำเพรสเจอร์มันก็ไม่พูดไปเองแต่ถ้าเรามองดูให้ดีคำซอสเสียดเนี่ยก็จริงก็เท็จนะฮะมันเท็จวิธีหนึ่งคำหยาบคำดา่าทั้งหลายแล้วยิงเท็จใหญ่เลยคำเพอรอเจอร์นี่สุดเท็จเลยเพราะฉะนั้นเป็นอุบายวิธีของพระพุทธเจา้าที่จะสอนธรรมะรวบยอดแต่ว่าไม่ย่อยออกไปมาก ก็ทํานองคกล้ๆก็พูดใด้ยคนปลูกพืชแล้วต่อไปมันแต่กินการสาขาเองมันคนเราถ้าเริ่มที่สัจจะได้อย่างอื่นไม่ต้องกลัวหรอกมันไปเองอกุศลละธรรมทางวาจาจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนนั้นมีสัจจะอย่าพัใจทีนี้พอมาถึงอีกระดับหนึ่งเนี่ยเป็นสัจจะในคารวะสธรรมที่พูดไว้วันก่อน ประเจ็นว่าตรงนี้จะเน้นที่เน้นที่ความซื่อสัตย์ซื่อตรงเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมฝันึกถึงข่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยแต่มาไม่ไม่เคยได้อ่านไอ้กฎหมายที่เกี่ยวกาับเลือกตั้งอน่ยนะแต่มามีความรู้สึกมานานแล้วนะว่าวันเกินไปลืมนึกว่ามนุษย์เนี่ยคือสัตว์สังคม เจนผู้แทนก็ดีสอวอ ก, ก็ดีอะไรแต่เดีห้ามหาเสียงห้ามติดต่อห้ามอะไรจับไมโครโฟนไม่ได้ห้ามอะไรไม่รู้เหมือนก็ห้ามไม่ใจคนนะ่ะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอะ่ะในช่วงตรงนั้นแหละญาติเขาอาจจะตายเพื่อนก็อาจจะขึ้นบ้านใหม่ลูกหลานก็อาจจะแต่งงานเขาก็ต้องไปอ่ะนะวัดก็อาจจะมีงานคนไต้ทนะอุบาสกเขาก็ไปวัดก็ธรรมดาเขาแล้วเขาก็ต้องบริจาคก็ต้องช่วยเหลือคือคื อ, คอมันมันต้องอย่าลืมว่าเขาสัตว์สังคมนะ ไม่ใช่เราเลือกพระอระหรันต์นะเราเลือกผู้แทนนะผู้แทนก็คือคนนะะแทนคนนะแล้วก็อยู่อย่างคนอยู่นะมันทําลายหมดเลยนะขนบธรรมเนียมประเพณีว่าทำต้องหยุดหมดเลยครับาไปเกี่ยวข้องไม่ได้ในงั้นถือว่าทุจริตกฎกติกาที่มันผิดธรรมชาติเนี่ย ม, มันใช้ไม่ได้หรอกบังคับไม่ได้มันทําลายองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ มันก็เหมือนกับที่คอมมิวนิสต์เห็นมมันผืนคติธรรมดาของมนุษย์ไปเยอะและ้วผลท้ายมก็อยู่ไปได้ถึงอยู่ได้พอกรีนรสเซี ย, ยนี่ก็ลดลงมาแย่ก็เรียกว่าจะไม่เหลืออยู่แล้วได้ทำไปเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างแปลกทำไมไม่มองแบบรัฐปรมนุมสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาบริสุทธิ์ล่ะทำไมสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาไม่บริสุทธิ์ล่ะ คือเรื่องมันเรื่องเนี่ยมันเป็นการตั้งกฎขึ้นมาเองคือปัญหาสังคมเนี่ยมันต้องนึกว่ามันเชื่อมโยงกับศีลธรรมมันเชื่อมโยงกับศีลธรรมอย่างเนี้ยอย่างสมมติว่ า, าลูกหลานเขาแต่งงานเขาก็ไปในงานในขณะที่เขากำลับบงหาเสียงอยู่เนี่ยก็ไปในงานแล้วเขก็<ๆ>ต้องช่วยเหลือลูกหลานเขาเอาเข้าไปวัดเขาก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องทําบุญไปงานศพก็ต้องบริจาคจะทํำยังไงอะ หรือจะไปไหนมาไหนกันเนี่ยมันต้องกินนะ่ะมันต้องกินมันต้องมีค่าใช้จ่ายคนมาช่วยเหลืองานมันต้องต้องกินต้องใช้จ่ายคือไม่ใช่ไปตัดจนจนปลีกวิเวกเข้าไปอยู่คนเดียวเกี่ยวข้องคนอื่นไม่ได้อะไรมันก็เกินไปอนะมีเยอทีที่อ่านแล้วเกินไป เป็นการมองโดยไม่ยอมรับศักดิ์ศรีของสัตว์สังคมคือมนุษย์จะลืมเรื่องเรื่องเรื่องสัตว์สังคมเนี่ยเป็นเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราไปทำลายโครงสร้างของความเป็นสังคมก็แล้วเนี่ยจะจะลําบากแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เลยหาคนดีไม่ได้เลยเพราะตรงนี้ที่จริงจ ร, จรไม่ใช่หลักเกณฑ์อะไรหลักเกณฑ์เนี่ยมันต้องเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นตรงนี้มันเบียดเบียนใครหรือเปล่า แล้วก็ไม่จ่ซื้อนะฮะที่จริงก็เป็นทาบุญเป็นการเกี่ยวข้องกับพิธีพิติกรรมต่างๆเราจะไปรู้ได้ยังไงเป็นเวลาตัางเดือนสองเดือนเนะ่ยญาติพี่น้องเราไม่ตายเลยเพื่อนฝูงเราไม่ตายลยลูกหลานไม่แต่งงานเนี่ยแล้วก็วัดวารามต่างๆก็จะมีกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเนะี่ยมันต้องมองถึงเจตนารม์อันนี้มันเป็นวิถีชีวิตหรือเปล่าเป็นวิถีสังคมหรือเปล่า ถ้าเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมแล้วก็เรื่องปกติวิสัยซึ่งเป็นความเหมาะความควรที่ควรจะการมัวทนาหรือทำไปนะแต่ากว่าเป็นปกติวิสัยนะทีนี้เลวลานี้มันมันรู้สึกวมันเคร่งเครียดกันใหญ่แล้วก็กลายเป็นการมองกันด้วยความบาดระแวงต้องสารนิฐานไว้ก่อนว่าเขาบริสุทธิ์ สับใดที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันต้องสารนิทานไว้ก่อนว่าเขาบริสุทธิ์แต่เราสารนิฐานไว้ก่อนเราไม่บริสุทธิ์มันคบกันไม่ได้อ่ะคนเรอยู่กันไม่ได้ก็ยังนานมาแล้วยังชอบใจคนชาวบ้านกับบ้านเนี่ยเขาเขาว่าพระบอกว่าที่ผมไหว่เนี่ยเพราะเห็นว่าท่านเป็นพระแล้วพระแ ก, กโรรกรธแกโกรธแล้วก็ามาลาดมาฟังบอถูกต้องโยพูดเก่งมาก พูดเก่งมากนี่พูดเอกดีจริงๆเลยมาความมาที่เราไหว้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าท่านเป็นพระถ้าเราไม่เห็นเราไม่ยอมรับเราไม่รู้สึกว่าเป็นพระเนี่ยเราก็ไม่ไหวเห็นไหมเราไปต่างประเทศเนี่ยเวลาพระไปต่างประเทศพระก็คือคนเข้าเมืองคนหนึ่งก็จะตรวก็จะค้นอะไรก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้คิดเราเป็นพระแต่คิดเราเป็นคนเข้าเมืองเขา จ, จัดการตามหน้าที่ของเขา เพราะในสัจากตัวนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องที่จะต้องยอมรับจะต้องทำความเข้าใจกันแต่เมื่อานแล้วเนี่ยไอ้สิ่งดีงามต่างๆภายในสังคมเนี่ยจะถูกทอดทิ้งละเลยกลายเป็นอุปสรรคที่จะเชื่อมมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเพราะมนุษย์มันเชื่อมกันโดยน้ำใจนะเชื่อมกันโดยการให้การรับ พระุเจ้าทรงแสดงไว้ว่าระดังมิตรานิการัตติผู้ให้ยอมให้ปลูกไมตรีไปได้ปลูกมิตรไปได้ให้ซึ่งเป็นกิจลักษณะอย่างนั้นนะ่ะให้ธรรมดาธรรมดาเป็นวิถีชีวิตวิถีสังคมคือหมายความว่าเจ้ากปกติก็ปฏิบัติกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำในยุคในสมัยที่มีการสมัครเป็นผู้แทนเป็นอะไรเป็นสวเป็นไอ้ส่วนที่ซื้อก็ ผิดก็ผิดไปนะฮะแต่ว่ามันไม่ถึงกับเคร่งครัดจนถึงการทำลายโครงสร้างของสังคมหรือต้องปลีตัวออกจากสังคมไปในช่วงหนึ่งทีงนี้สัจจะอีกตอนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นลักษณะการปฏิบัติแนวอธิษฐานธรรมอธิฐานธรรมนั้นตัวธรรมะหลักเนี่ยที่จริงก็เน้นที่สัจจะนะแต่ว่ามันนําที่ปัญญา เราทงแสดงว่าปัญญานับประมาทเฉยะอย่าประมาทปัญญาอย่าประมาทในการสร้างปัญญาในการใช้ปัญญาในการทํางานด้วยปัญญาแล้วก็สัจจะสัจจะนี้เป็นรูปของสตยาธิฐานนะคือมุ่งไปในแนวการอาธิษฐานหรือว่าเจตจํานงที่จะทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่แข็งจริงทีนี้ก่อนที่จะตั้งสัจจะเนี่ย มันต้องผ่านการใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนมันเหมือนกับอิทธิบาตสี่เราจะเห็นว่าชั้นทะใเนี่ยอยู่ขา้างหน้าแต่ที่จริงเนี่ยมันต้องผ่านวิมังสาเสียก่อนไม่ใช่นิ่งๆบบ ป, ปลูกขวงความพอใจไปเรื่อยๆอะไรก็ไม่รู้เพราะในตัวตัวสัจจะตรงนี้ก็คือเป็นเจตจำนงเป็นความมุ่งมั่นทรงใช้คำว่าสัจจมนุรักษเก ย, ย์ยให้ตามรักษาสัจจะ ก็เป็นสัจจะที่เราอาธิษฐานหรือว่าเราปฏิญาณหรือปฏิญญาไว้แล้วก็พยายามรักษาสัจจะตรงนั้นให้ได้แต่ว่าก่อนจะตั้งสัจจะนี่ปัญญาได้ตรวจสอบก่อนแล้วนะว่ามันมีเหตุมีผลรือควรจะตั้งสัจจะคล้ายๆกับที่พระพุทธเจ้าของเราทรงตั้งสัจจะแบบเขาเรียกว่าความเพียรที่ ประกอบเดวงสี่ก็เรียกว่าจะตรงขมาประธานหรือความเพี่ยนประกอบดอดวงสี่ที่จริงมันมีรรสัจจะมันมีอธิษฐานอยู่ด้วยก็เม e ื e ่อม e ั่นพระไถ่แล้วนะฮะว่าทางนี้เท่านั้นเนี่ยที่จะจัดสรู้ได้ถ้าไม่จัดสรู้ได้ก็คือตายท่านนเองมันไม่มีทางอื่นแล้วมันหมดแล้ ว, ลวเพราะทดลองมาหมดอ่ะเห็นไหมมันผ่านการใช้ปัญญามาแลว้วทีนี้พอ ม, มาถึงตรงหนึ่งเนี่ยสัจจะ ไม่ใช่จา่าขะเขาเรียกว่าจากะมณุบูเหยยาให้เพิ่มคูณความเสียสละสิ่งที่เสียสละที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือตัวเจตจํานงตัวอุบัยตั ว, ต, วตัวมารของเจตจํานงตัวประสาทของเจตจำนงที่เราจะประพฤติที่จะกระทาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ความคิดที่มันเป็นมารเข้ามากะซิบใจมาห้ามเอาไว้ต่อรองผัดพรปอประโลมทําให้เราอ่อนไหวไปตามเสียงกระซิปเรานั้น มันต้องสลัดแถวนั้นออกไปเพราะทำไปงานมันก็เป็นมวลทินของการรักษาสัจจ์ทายดีก็คือเขาเรียกว่าสันติเมวะโสสิกขยะเขื่อศึกษาทางที่จะให้เกิดความสงบจากความคิดที่เป็นอุปสรรคต่อเจตจำนงเห็นจะจะเห็นว่าธรรมะเหล่านี้มันก็กลายเป็นอุปการะสนับสนุนซึ่งกันและกันปัญหาบางอย่างมันรบ ก, กวนจิตใจ แล้วถ้าเราอ่อนแอก็ปเป็นเหนียวนึกก็นอยู่เรื่อยนะฮะแกความต้องการแกเรื่อยแกก็โยกคลอนจิตใจเราอ่อนไหวไปเรื่อยตอนมไม่ต้องส ง, งบความคิดตอนส ง, งบจิตจากความคิดเหล่านั้นท่านเรียกว่าสมเด็จพระมาซัสมเด็จพระมาสํส า, าสนาจารกรมระยาวิชญ์รูร้ดทรงแปรไว้เพราะอุปสมะส ง, งบจิตจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความจริงใจ หมาความวาไม่คิดถึงไม่นึกถึงในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ข้อต่อไปคือสัจจะบา ร, รมีโดยรวมเนี่ยฮะทั้งหมดมันก็อยู่ในโพสจักบา ร, รมีเดียถ้าเรามองจากพระศาส ต, ต่างๆหรือแม้แต่สรงแสดงเอาไว้ก็มักจะเน้นไปที่สัจจวาจาเนี่เป็นหลักแล้วก็บางคราวก็มีสัจจะปฏิญาสัจจะปฏิญญาสัตยาทิฏฐานก็แล้วแต่ แต่ทั้งหมดนั้นน่มันก็มีธรรมะข้ออื่นเข้ามาประกอบเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนเพราะเส้นทางของการรักษาสัจจะเนี่ยมันยาวโอกาสที่จะวกแวกสับสนชั่สายเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายดังนั้นสัจจะจึงถือว่าเป็นบารมีที่มีความสำคัญและสังคมเราปัจจุบันที่จริงค่อนข้างขาดแคลนนะขาดแคลนนะสัจจะ การแขวนจะดูแล้วก็น่าเป็นห่วงว่าถ้าเราขาดความสุจริตใจความจริงใจกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ น, นะแล้วก็มากมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในสุดเนี่ยสังคมจะอยู่กันด้วยความหวาดระแวงจะสูญเสียความมั่นสูญเสียความมั่นใจเวลาเนี้ยแม้แต่ผู้ใหญ่นะฮะผู้น้อยก็ไม่มั่นใจจะแล้วซึ่งผู้ใหญ่ก็ควรจะเป็นหลัก เป็นหลักของครอบครัวเป็นหลักของวัดเป็นหลักของบ้านเป็นหลักของเมืองเป็นหลักของแผ่นดินเป็นหลักของประเทศซึ่งก็หมายความว่าต้องดำรงอยู่ในสัจจะไม่สับสนไมพนนนนน่พูดอย่างหนึ่งวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งเป็นภาษาดอกไม้หรือเป็นภาษาทาการเมืองเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าในที่สุดเนี่ยโอกาส ที่คนจะเกิดศรัทธาเชื่อมั่นมันจะกระจายจางไปคลายไปไอความสําเร็จที่เราต้องการจริงจะเกิดขึ้นมาได้ยากแต่ประการสําคัญอย่างยิ่งก็คือเมื่อเป็นสัจธรรมีบางคนเน้นที่ตัวปัจเจกชนแต่ละคนเนี่ยจะต้องพุ่มพนูนขึ้นมาเองต้องฟังทลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรม จะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกันสวัสดี